เพผู้ที่เป็นผู้พิจิตรถึงรู้ว่าโอ้ยไม่เอาหรอกแม้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยที่จะสะสมแล้วทําให้ความร้อนเราสูงขึ้นเรื่อยๆเอาไว้ทําไมไม่เอาไว้หรอกสู้มาจนถึงป่านนี้แล้วโอ้เอาย้อนหยว น, ยว น, ยวนบางทีก็อ่ะให้อภัยไปอย่าไปถือสาอย่าไปอะไรเลยเพรามีจริงๆแม้แต่เนี่ยอาตมาฝึกฝนมาก็จริงๆก็เคยบอกบ่อยว่าแม้แต่อาตมาเองไม่ใช่ไม่ถือสาเนะ่ยบางทีมี บางคนเนี่ยไอคนนี้นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วหลายครั้งแล้วนะโยนไปหลายทีแล้วนะมาอีกแล้วบางทีก็มีเหมือนกันนะเอ้มันขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมาเหมือนกัน <S <S เอาละผู้หญิงก็แล้วแต่ผู้ชายก็แล้วแต่แล้วแหมเดี๋ยวก็พยายามสอหาหน้าตาอย่างงี้ใช่ไหมผมอย่างนี้ใช่ไหมชุดงี้ใช่ไหมเดี๋ยพยายามจะถามไปเรื่อยๆนะแต่อยากจะบอกให้รู้ว่ามันมาทําให้เราทุกข์ซะเองนะ เพราฉนั้นมีแต่จะชอบความสุขความเย็นเรื่องอะไรจะไปเอาความร้อนมาเก็บใส่เพราะพอเริ่มรู้เท่านั้นเองว่าเอ๊ะเราจะถือสาแลเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนที่เริ่มอุ่นๆแล้วนะเริ่มไอไอเริ่มขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นพอรู้อย่างนี้ปั๊บเอาเอาเอาแล้วละไอเริ่มขึ้นหัวแล้วไอเริ่มออกหูแล้วนะอย่าอยอย่าให้มันออกปากนะถ้าไอออกปากนี่มันต้องอ้าปากถ้ามันอ้าปากนี่คือ เอาละเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวว่าเขาละเดี๋ยวเดยวจะไปด่าเขาละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันจะระ ง, งับแล้วมันจะไม่ให้เลยเถิดไปเพราะในที่สุดพอเราเราเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝึกบ่อยๆไม่เอาเลยถ้ามันจะเกิดในจิตเราแม่เล็กแม่น้อยจับได้ปั๊บโอโ้เก็บไว้ทําไมอะทุกเปล่าๆมันจะรีบสลัดทิ้งเลยไม่เก็บเพราะนนั้ใครเท่านั้นน่ะที่ไม่ไม่ฝึกผลมา ถึงยังจะโง่ยังจะเก็บเอาไว้จริงๆเก็บความไม่ชอบใจคนนั้นนิดความไม่ชอบใจคนโน้นหน่อยแแมะแมไว้แแมะแมไว้นะตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแแมะไว้ไอ้ดูนิดไอ้ดีนิดไอ้ดีนิดก้อนโตนะบอกให้คุณรู้นะเพราะอะไรเพราะมันรวมไปอยู่ที่ใจคุณทั้งหมดนะมันไม่ได้ไปที่อื่นนะใช่มันเติมไปเรื่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นในที่สุดจะกลายเป็นคนขี้งนงิดขี้ลาคาญง่าย บางทีไม่ได้ไม่ได้ราคาญคนเลยนะอากาศร้อนหน่อยก็อืออะไรอากาศทไทยวันนี้ร้อนยังเอาละดูติหาเรื่องไปหมดแล้วครับนี้กับคนกับคนไม่ละเว้นแล้วยังกับธรรมชาติกับอากาศอะไรไม่ละเว้นหมดแหละเออบางทีเนี่ยกับเสากับอะไรเอาหมดนะ้เสาเนี่มันอยู่ตรงนี้ทำไมโอ้เป็นไปได้แฮะคนเราว่าจริงๆหิงกูยินดมากมกูเห็นป่ะบางคน เสามันอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเดินมาถึงมันเตะเสาแล้วก็เท้าตั ว, ตวเองก็เจ็บเลยนะเออก็ไปเตะเสาเอามีจริงๆอ่ะคุณเคยเห็นหรือเปล่าล่ะเออมีจริงๆเออบางทีบางคนก็ไปชกต้นไม้เอ่อเอออะไรอ่ะเดินมาอยู่ดีงๆงุดหงิดอยู่ย่งนขึ้นมาไปชกต้นไม้าบางคนเอาหัวไปชนผนังเออเอ้มีหงุดหงิดมากๆไม่รู้จะจะมันระบายยังไงอ่ะ เออเกาหัวไปชนผนังเออตลกดีแั่เป็นไปได้จริงๆเลยอาตามาถึงบอกว่าโอ้โหเพราะว่าพอคุณรู้เนี่ยคุณเข้าใจสภาวะจิตพวกนี้แล้วโอ้โหไม่อยากเก็บเลยรู้มาหลายว่าเราหงุดหงิดแม่นิดแม่น้อยไ ม, ม่ชอบใจใครนะบางทีเอานั่งฟังเทศด้วยกันแท้ๆเลยบางทีนั่งฟังเทศด้วยกันเนี่ยบางทีคือคือคนข้างหน้าเราไงนะคนข้างหน้าเรา บางทีเขาอาจจะคันหัวหน่อยเขาเกาหัวบ้างเขาอะไรบ้างไอ้เราก็นั่งข้างหลังใช่ไหมเราก็ฟังเท่แล้วก็ อ, อ, อาจจะมองพ่อท่านนะแต่เดี๋ยวก็ยกมือเดี๋ยวก็เกาหัวเดี๋ยวก็เกาหัวแล้วชักเอกเอคนนี้นี่มั็นยังไงเอาละเริ่มหงุดหงิดละเริ่มรำคาลละเริ่มไม่ชอบใจอาบางทีเออเนี่ยถ้าเรารู้เรารูาาาา้ว่าเออเอาก็ทําไงอ่ะเขาก็คันหัวเขาเกาหัวเราจะไปโกรธเขาอะไรไอ้คนนั่งหน้ายังไม่รู้เรื่องเลยนะ แต่เราเนี่ยเริ่มลนะเราเริ่มหงุดหงิดเริ่มนำคาญเานั้นจับได้พอเราจับได้ก็ผู้วิชิตที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> ไม่สู้เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องยุหยิ้มแนตะ่แค่นี้พนโทษคุณว่าเขาจะเกาตลอดจนกระทั่งพอเทศจบแล้วแม้มันก็จะเกินไปแหละนะเขาคงเกาสักพักเล้เขาก็คงเอามือลงไะทำไมแค่นี้ทนไม่ได้เชลอแล้วแค่นี้ก็ให้อภัยเขาไม่ได้เชลเลอเขาก็ไม่รู้หรอก ใช่ไหมเขาก็บางทีเขาไม่รู้เรื่องเดซ้ำไปแต่ใจเราเองเนี่ยหงุดหงิดไม่ชอบใจถือสาอยู่อ่ะซึ่งก็บอกแล้วก็เราทุกเองทั้งนั้นน่ะจําได้ไหมวันนั้นบอกว่าไงโกรธเขาเโกรธเขาเราทุกโกรธเขาแต่เราทุกนี่เราจะโกรธทาไมเพราะเนี่ยเนี่ยผู้ที่ฉลาดแล้วผู้ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ย ไม่อยากโกรธใครคุณแลวจะไม่ยอมไปโกรธใครด้วยนะถ้าฝึกฝนจริงๆถึงบอกเนี่ยเป็นผู้พิจิตริงจริงแล้วไม่เอาเลยเล็กน้อยก็ยังจะไม่ยอมให้มีเลยนะอ่ะตอนนี้อันนี้เป็นเป็นของเหล่าชื้อนะเป็นของเต๋าครับเป็นคำพูดที่ดีทีเดียวสอนสอนได้ดีอันนี้คนดีจึงมักคนดีจึงมักหยุดยัง้งความไม่พอใจระงับความโกรธ ด้วยความอดทนด้วยความเมตตาแล้วก็ยินยอมให้อภัยอันเป็นการเสียสละตนเองที่เล็กน้อยเพื่อส่วนรวมที่กว้างใหญ่กว่าหนะ้าที่ทาเนี่ยนะ <c oughs> ตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วคนเดียวในโลกนี้นะถ้าเราคิดถึงส่วนรวมด้วยนะคณิตคิดถึงแหมกว้างใหญ่ไพศาลโกรธขึ้นมาทีเนี่ยโอ้โหอววารวาส ทำอะไรต่ออะไรเสียหายไม่ทําคนก็ไปทําของบางทีไม่ไปทําอะไรใครก็ดา่าคนโน้นด่าคนนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะโอ้โหลบายออกไปทั่วเพราะถ้าสมมุติเราเองเนี่ยเราจัดการของเราได้นะเท่ากับว่าจริงๆแล้วโอ้โหเราเกลือกว้างให้กับคนอื่นเขาอีกเยอะแยะเลยอีกมากมายนะเป็นการเสียสละ นะเราเราปรับตัวเราเราแก้ตัวเราได้เนี่ยเท่ากับช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือคนอื่นเข้าด้วยนี่คือน้ําใจของเพื่อนแท้ที่มอบให้แก่เพื่อนร่วมโลกเดียวกันดุดคําตรัสที่ว่าอ่าคราวนี้เป็นของาศาสนาพุทธนะ <c oughs> ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาปรากฏอยู่ในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งไหนที่แจ้ง ทั้งในที่รับนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันอันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอันนี้เป็นของสมณะโคดมนะาศาสนาพุทธอันนี้เราได้ยินบ่อยจากอะไร จากสารณยธรรมหรือพุทธพจน์7ใช่ไหมสารยธรรม6อัอนนี้คือถ้าปฏิบัติสารยธรรมแบบนี้แล้วก็จะเกิด<ม> พ, พุทธพจน์มีอะไรเนี่ยเราลึกถึงกันนันแล้วก็เนี่ยเป็นเหตุให้ก่อความรากักแล้วก็ความเคารพกันแล้วอะไรอีกสงเคราะห์กันก็คือช่วยเหลือกันนันแล้วก็ไม่วิวาทกันพร้อมเพียงกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีน้ำใจแล้วเราก็พยายามแค่คุณพยายามระงับกิเลส ต, ตัวเนี่ยความโกรธความถือสาความไม่ชอบใจแะไต่างได้เนี่ยเ น, ยเนยจะทําให้ผลต่างๆเหล่าเนี้ยตามมาฮัานบอกแล้วว่าพระพุทธพจน์ที่จะเกิดอันเนี้ยจนถึงถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เนี่ยต้องมาจากสารนียธรรมผใช่ไหมโดยเฉพาะสามข้อต้นก็คือ เมตตากรยกรรมเมตตาปจีกรรมเมตตาพโนกรรมน่าจะต้องเมตตาในกรรมสามนี้ที่เป็นตัวเริ่มเลยเพราะฉะนั้นยิ่งการแก้ความโกรธนะเมตตานําอยู่แล้วเมื่อกี้หลายคนก็ก็บอกมาแต่เวลาพูดพูดง่ายเวลาทําทํายากเพราะบอกแล้วว่าพอเวลามันเกิดขึ้นแล้วคุณลืมหมดแหละ เพราะฉะนั้นเรารอตอนมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรารอตอนเกิดเหตุนเนี่ยแล้วคุณค่อยเอามาเมตตามาเมตตามันไม่ทันเพราะอารมณ์มันขึ้นแล้วเนี่ยบางทีเราเระงับไม่อยู่แล้วเพราะมันต้องฝึกก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกๆวันเนี่ยคุณต้องฝึกไว้ก่อนแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเจอภัสสะตอนไหนเพราะฉะั้นเมตตาเนี่ยคุณต้องฝึกไปตลอดเลยจริงๆคุณทําตลอดทั้งวันได้คุณก็ยิ่งดี คุณทำได้ไ้มล่ะขนาดเมตตาเพียงแค่ใช้สนวนว่าลัดนิ้วมือเดียวหรือว่าชั่วหยดน้ำนมของแม่โคผู้ใจบอกโอ้โหถ้าคุณเมตตาจริงๆนะแค่เนี้ยโหมีบุญมีผลมหาศาลเลยไม่ต้องมหาศาลกับคนอื่นหรอกมหาศาลกับตัวเราเองนี่แหละที่จะทำให้เราเนี่ยโอ้โหสบายแลวคุณ ก็ทั้งหมดในโลกเนี้ยที่เราอุตส่าห์ทำไอ้นนไอ้นี่ไอ้นั่นทําเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความสุขสบายใช่ไหมลนะ่ะเพราะฉนั้นใครเนี่ยที่ฝึกความเมตตาเป็นหลักเอาไว้อยู่เสมอๆตลอดเวลาเมตตาไม่โง่นะศาสนาพุทเมตตาแบบมีปัญญาเพราะนั่นใครฝึกเสมอๆเนี่ยโอ้จะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสจะเป็นคนเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์เย็นนะให้อภัยคนง่ายไม่ไป โกรธเกลียดถือสาอะไราใครจะช่วยเยอะเลยแลวจะเป็นคนที่ไม่ญหญุนหิดวันหน้าตาจะผ่องใสยิ้มก็ง่ายขายก็คล่อง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้นะขายอะไร <c oughs> ขายหน้าหรือเปล่าอ๋ออันนี21้21ประการเหร อ, อ, อสำหรับเรื่องของความเมตตานะ สิเประการนั้นมาจำได้ไม่หมดละแต่ให้รู้ว่าโอ้โหเมตตาเนี่ยโอ้โหอันนี้สงบ้องเยอะขนาดนี้ <c oughs> อ่ะนะนี่เราก็ฟังไปดูแล้วว่าถึงนะถึงเรียกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยตัวเราเองเท่านั้นนะเรื่องของความเมตตาเพราะคนที่มีความเมตตาเนี่ยจะเป็นตัวประสานที่จะทําให้หมู่กลุ่มเข้าไปในหมู่กลุ่มไหนก็เป็นตัวประสาน ที่ไปสร้างความสามัคคีเพราะฉะนั้นศาสนาบอกแล้วศาสนาเนี่ยจะสร้างขึ้นมาได้สําเร็จจะเป็นปึกแผ่นได้ศาสนาไหนไม่มีความเมตตาศาสนานั้นสร้างไม่สําเร็จเพราะคนจะมาอยู่ร่วมกันหลายๆคนไม่มีเมตตาไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีความเคารพกันไม่มีอะไรกันมันจะไปได้อย่างไงมันไปไม่ได้หรอกจริตนิสัยก็ต่างกันนะบางคนก็สายสายอะไรดี สายเดียวสายเดียวจริงๆบางคนสายเดี่ยวคืออะไรข่ามาคนเดียวข่าไม่กลัวใครและข่าก็ไม่ทําตามใครข่าจะทําตามข่าว่าสายเดียวจริงๆไม่เคยมาแบบสายรวมนะบางคนมาแบบสายรวมหน่อก็เออเอ า, เอาไงเอากันทํากันใช่ไหมเออเอเออหอบหมกด้วยทําไปด้วยแต่บางคนมานี่อุภูสายเดียวจริงๆเลย แตถึงเวลากินแล้วไม่กินมือเดียว <c oughs> กินหลายมือ <c oughs> สายเดียวก็จริงแต่ว่าถึงเวลากินแล้วหลายมือ <c oughs> พวกนี้เนี่ย <c oughs> นั้นนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนานาจิตตังมันเยอะเพราะนั้นถ้าใครไม่มีศาสนาไหนไม่มีเมตตาอยู่ด้วยเนี่ยไปไม่รอดเลยไม่สามารถสร้างศาสนาเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เพราะ ถามคุณตรงๆอะ่ะจริตนิสัยเนี่ยทําให้เหมือนกันได้ไหมเป็นไปไม่ได้จริตนิสัยทําให้เหมือนกันไม่ได้คนนึงชอบกินเงาะนะเอาไอ้สันติอโศกนี่นะ่นะผละไม้มีอย่างเดียวก็พอแล้วอันหนึ่งอันเดียวกันนะเอาเงาะมาอย่างเดียวพอแลกกินมัะนแะต่เงาะเนี่ยทุกคนเลยกินได้จริงๆก็กินได้นะเอ๊กินได้ไหมกินได้แต่ มันมีคนชอบคนไม่ชอบหรือบางคนก็ไม่กินอะ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากจะกินเนี่เพราะฉะนั้นลักษณะอันนี้เนี่ยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่าจริตนิสัยต้องเหมือนกันเพราะจริตนิสัยแตกต่างกันแน่รสนิยมแตกต่างกันแน่แต่อะไรนะ่ะที่จะต้องเหมือนกันเขาเนี้ยนะอ่า ทิฏฐิสามัญญาตาศินสามัญญ า, าออที่จะต้องเหมือนกันแต่ตะกี้นี่เรากําลังพูดเรื่องเมตตาถ้าคุณมีเมตตาเหมือนกันนี่แหละอาตมาว่าไปรอดใช่ไหมต่อให้เค้านี้ทิฏฐิคุณอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะใช่ไหมอาจจะคิดเกินคนละมุมคิดเกินคนละขั้วแต่คุณเมตากันหรือเปล่าล่ะถ้าคุณยังเมตตากันอยู่อาตมาไปกันได้ว่าแม่ หรือศีลอาจจะถือไม่เท่าก็เลยเอาศีลห้าศีลแปดหรือกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์มังเอลแตถ่ถ้าทั้งถ้าทั้งสองคนนี้นะยังมีเมตตาให้กันอยู่คุณว่าไปด้วยกันได้ไหมไปได้เพราะถ้ามีเมตตาเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อไหร่ยังมีความปรารถนาดีต่อกันมีการระลึกถึงกันมีความเคารพกันเพราะฉะนั้นอาจามาวัดเดี๋ยวมันก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับ เพื่อที่จะหาทางร่วมจุดไหนร่วมกันไดจ้จะเอาจุดนั้นน่ะไปด้วยกันเพราะในที่สุดก็จะไปรอดนะเพราะฉนั้นไม่ต้องคิดอะไรอย่างอื่นมากไม่ต้องคิดทิฏฐิสามั ญ, ญาตาศีล ส, สามัญญาตาอะไรมากก็เลยคืออันนั้นต้องด้วยวนะนะแต่ถ้าคุณไม่มีเมตตาสามั ญ, ญาตาเลยคือคุณไม่มีเมตตาร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยทิฏฐิก็ลงกันยากศีลก็จะลงกันยาก นะมันก็ต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือเพราะฉะนั้นบางทีมันยอมกันไม่ได้ยิ่งคนศาสนาเงี้ยโหยิ่งบางทีไม่ยอมเลยเพราะอาตมาถึงบอกถ้ามีตัวเมตตาเนี่ยแค่ตัวเดียวเมตตาจริงๆศาสนาไหนก็มารวมกันได้แต่ต้องต้องให้ชื่อว่าศาสนานะเพราะเมื่อกี้เราบอกกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าความหมายก็คือว่ามุ่งเพื่อให้คนดีนะคำว่าศาสนา ไม่ใช่แบบสยศาสตร์ไม่ใช่แบบอะไรที่ไม่ได้มุ่งเพื่อคนดีบางทีบา้บาบา้บาบบอะไรนะไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องมันนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่เรียกศาสนานะนั้นจะเรียกเป็นลัทธิเป็นเรียกเป็นอะไรก็เรียกเกินไปอะอ่ะเดี๋ยวโจทจะจบละเอ๊จะจบหรือเปล่านี่นี่มันมาสักครึ่งหนึ่งอ่ะอ่ะอ ะ, อ, ะอีกนิดหนึ่งก็แล้วกัน การทำความแตกแยกนั้นง่ายมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอต่างจากการร่วมแรงร่วมใจซึ่งยุ่งยากต้องภาคเพียรต้องพยายามต้องสู้อดทนประคับประคองให้เป็นอยู่กันไปได้ยาวนานโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในความดีซึ่งมักจะถูกสั่นคลอนอยู่เสมอเพราะทําดีไปแล้วไม่เห็นลาบสักการะตอบแทนกลับมาให้สุขสบาย ก็มักจะท้อแท้หมดกำลังใจที่จะทำดีกันต่อไปจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ดีไม่สำเร็จคือจริงๆอยากจะทำดีแล้วก็อยากจะได้ดีแต่ดีไม่สำเร็จเนี่ยเพราะเพราะเลิกก่อนเลิกทำดีก็เลยไม่สาเร็จเนี่ยเราจะพอไปผัดซาแล้วท้อมั่ง โกรธบ้งไม่ชอบใจมัางอะไรก็แล้วแต่แหละแต่โดยเฉพาะตัวท้อเนี่ยแหละพราะจริงบางทีเราก็พลาดพลั้งไปเราทําผิดพลาดย่างกดเข้าไปแล้วเนี้ยด่าเข้าไปแล้วอ่าโอโหตายแหละเมื่กี้เราไม่น่าผิดไปเลยเราพลาดไปแล้วนะมันก็เสียใจเสียไปเสียมาก็เออเสียไอ้ที่ ประพฤติปฏิบัติมาเลยคือเลิกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าเสียรู้อย่าเสียรู้กิเลสเสียรูก้กิเลสคือกิเลสมันมันหลอกเราอีกแล้วให้เราเนี่ยท้อแท้ขึ้นมาท้อถอยขึ้นมาจนในที่สุดเราก็แหมมันยากด้วยนะมันลําบากด้วยนะเขานี่เหตุผลต่างๆมาแล้วดูที่ทาไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ mm hmm. <Hey. S 1> คนก็ไม่ค่อยจะเห็นดีกับเราสักเท่าไหร่ นะหรือว่าทำไปแล้วก็รู้สึกว่าเห็นจะมีใครเอาด้วยกับเราเลยนะเราก็ทำอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เพราะนั้นมันก็เริ่มชักถอยถอยอันนี้แหละส่วนใหญ่ดีไม่สำเร็จก็เพราะประเด็นนี้เหมือนกับทำไมอ่ะผู้เจ้าถึงมีน้อยพระองค์มากพระพุทธเจ้าในกลับนึงกลับนึงอะไรพวกนี้นะหรือในอช่วงนึง่ะ จะมีผู้เจ้าใจองค์เดียวเท่านั้นเององค์อื่นไม่มีนะองค์ที่สองจะขึ้นมาแทรกแซงไม่ได้ช่วงหนึ่งยุคหนึ่งของผู้เจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นเนี่ยจะมีได้พระองค์เดียวเพราะนัยิ่งยิ่งสูงส่งก็ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องอดทนมากยิ่งต้องเพียรพยายามมากเพราะพระโพธิสัตว์นะพ่อท่านก็พูดอยู่บ่อยๆ บ, บางทีเนี่ยพระโพธิสัตว์มีเยอะนะมีไม่น้อย แม่ว่าตั้งจิตแล้วจะไปเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้พยายามภาคพยีพยพยายามปฏิบัติแต่ทําไปทําไปเดี๋ยวก็โอ้โหหนักในที่สุดเอเดี๋ยวก็บายบายลากรถท่กนก็ปาลิทิพานไปเลยใช่ไหมเพราะไม่ต้องบังเกิดอีกแล้วก็ได้หนิไม่ต้องมัน็เห น, นื่อยอีกแล้วก็ได้หนิเออท่านสามารถปริทิพานได้อยู่แล้วเป็นโพธิสัตว์ก็เป็นพระอรหันต์แล้วอะ่ะ ก็สามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็ได้เพราะันส่วนใหญ่อย่างที่สุดก็เลยใบ้ยบ้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเป็นผู้พระเจ้าถึงน้อยน้อยมากๆเพรากว่าโอ้โหต้องนานเท่าไหร่ไม่รู้กว่าจะไปเป็นได้มันก็จําไม่ไหวแล้วนานมากมากยาวมากๆ ก, กว่าจะได้เป็นผู้พระเจ้าเพราะฉนั้นโอ้โหต้องบําเพ็ญกันเหลืออดเหลือทนนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ให้เรารู้ไว้ว่าอย่านะอย่าหมดกําลังใจนะอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยเพรา ะ, ะนนคนเราจะได้ของดีได้ของพิเศษเนี่ยมันต้องได้ด้วยความยากลําบากไม่มีของไหนได้มาง่ายๆของไหนได้มาง่ายๆนี่แสดงว่าเป็นของเก่าเป็นของที่เราเคยได้แล้วเออของไหนที่คุณยังไม่ได้จริงอ่ะที่ยังไม่ใช่ของคุณจริงเนี่ยคุณไม่ได้มาง่ายหรอก ได้มายากทั้งสิ้นแต่อัที่บางทีนี่เออเดี๋ยวก็ได้นันมาเดี๋ยวก็ได้นี่มานี่ของเก่าคุณเท่งนั้นแหละคุณไม่ต้องทำอะไรมันก็มามาง่ายๆด้วยมาสบายๆด้วยเพราะมันทำไว้อยู่แล้วบางทีเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเขาบังคืนให้คุณเท่านั้นเองแต่ของไหนไม่ใช่ของคุณเนี่ยที่คุณยังไม่เคยทาได้มาไม่มีหรอกว่าเขาจะมาให้คุณไม่มีเพราะคุณไม่ได้ทาเอาไว้ มันเราจะต้องพากเพียรจะต้องอดนะคนเรานี่มักจะท้อแท้ถ้าหมดกำลังใจก็นะมันก็คงเลิกะนะไม่คิดที่จะทำดีต่อไปในที่สุดคนก็จะไปทำชั่วหรือไปทำไม่ดีส่วนใหญ่นะคนที่จะทำดีเนี่ยโดยทั่วทั่วไปเราเราจะรู้<ม>โดยโดยธรรมดานี่นะ ว่าเออทำดีมันยากใช่ไหมโดยโด ย, โด ย, โดยทั่วๆไปเราสึกทำชั่วมันง่ายแต่มันตรงกันข้ามนะพุทธเจ้าท่านถึงใช้คำว่าคนดีเนี่ยทำดีง่ายทำชั่วยากส่วนคนชั่วเนี่ยมาให้ทำดีเนี่ยมันทำยากนะแต่ทำชั่วทำง่ายอันนี้ถ้าเราเราพิจารณาเป็นออจริตนิสยัยเราจะรู้แล้ว ถ้าเราเนี่ยทอแททอถอยทําดีไปได้หน่อยแล้วเราก็ไม่อยากจะทําดีเราอยากจะถอยละเราไม่สู้แล้วเราไม่เอาแล้วเราอยากทิ้งละทิ้งทําดีก็คืออะไรก็คือหันไปทําไม่ดีทิ้งการทําดีก็คือหันไปทําไม่ดีนะอย่านึกว่าพอเราทิ้งการทําดีปับ๊บคือเฉยเฉยไม่ไม่ไม่ใช่ เลิกทำดีเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละขนาดไหนเวลาไหนวันไหนเลิกทำดีเมื่อไหร่ก็คือไปทำเลวมันไม่มีไม่มีว่าไม่ทำดีไม่ไม่ทำดีฉันก็เสมอตัวฉันก็ไม่ไปทำชั่วอะไรนี่ส่วนใหญ่มักจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ทำดีไม่เราไม่ทำดีแย่เราก็ไม่เลวอะไรนี่โอ้โหแหมถ้าคิดง่ายๆแบบนี้ก็ดีอสิแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ การที่เราไม่ทำดีหรือเราเลิกทำดีนี่แหละเรากำลังจะกลายไปเป็นทาไม่ดีเพราะอะไรเพราะชีวิตจริงๆรหนีไม่พ้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องโดยปกติเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นถูกไหมมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยทั่วๆไปเอาเปรียบคนอื่นเขาบางทีไม่เอาเปรียบคนด้วยกันก็เอาเปรียบสัตว์ต่างๆก็เอาเปรียบมันถ้าคนด้วยกันเราก็เอาจะไปยอมใคร ยังไงก่อนได้อะมันก็ต้องเห็นแก่ตัวก่อนเนี่ยโดยทั่วทไปนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาทําดีเนี่ยเรื่องจะยอมเสียเปรียบเรื่องจะเสียสละเรื่องจะมเมตตาเรื่องจะช่วยเหลือคนอื่นมันยากเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าไม่คิดที่จะทําดีหรือเลิกทําดีเนี่ยท้อแท้แล้วก็ทิ้งเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้วก็ไปเร็ว เพราะฉะนั้นคนที่จะทำดีให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้ยาวนานแล้วก็ให้สืบไปเนี่ยต้องมีความอดทนที่จะพยายามทำความสำคัญเนี่ยมันไม่อยู่ที่ภายนอกแพ้ความสำคัญมันอยู่ที่ใจต้องไม่ไม่ยอมแพ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะว่าความเป็นจริงคนเราแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันไม่มีแพ้ มันไม่มีไอ้อะไรอ่ะสมมตินะคุณไปโดนใครเขาด่าหรือคุณโดนใครเขาชกชกหน้าเลยเอา้าล้มนอนหงายพึงอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าคนนี้ล้มแล้วนะโดนชกล้มทั้งยืนแต่ถ้าใจคุณไม่ได้แพ้เนี่ยมันล้มแต่ตัวใจนี่มันไม่ได้มันไม่ได้ไปแพ้อะไรด้วยนะใจมันก็ยังสู้ใจมันยังคิดจะทำดีจะอะไรอย่างเงี้ย จะเสียสละเลยมันใจมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันล้มนี่มันล้มแต่ร่างกายล้มแต่ตัวแต่บางคนยังไม่เข้าใจคิดว่าถ้าตัวล้มก็คือใจแล้วก็คือล้มไปด้วยใจแล้วก็คือแพ้ไปด้วยแล้วมันก็เลิกมันก็ไม่คิดที่จะทําดีแต่ถ้าใครเริ่มเข้าใจเนี่ยว่าเออไอ้ร่างกายนี่มันมันมันก็ส่วนหนึ่งแหละนะเราอาจจะยังไม่เก่ง บางทีโดนดา่าบางทีโดนว่าบางทีโดนคนตบหน้าหรือโดนคนทำร้ายเอานะเราก็คิดว่าโอ้ยอย่างนี้ ส, สู้เขาไม่ได้อย่างงี้แพ้อย่างางี้เราก็หนีอย่างงี้เราก็ถอยเลิกเลิกที่จะเสีสละเลิกที่จะทำดีอา้าถ้าอย่างนี้แสดงว่าคนนี้เนี่ยยังยังเข้าใจไม่ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนยังคิดอยู่ทีว่า ถ้าร่างกายหรือว่าวัตถุภายนอกที่เราดูเห็นมาแพ้แล้วก็คือคนนั้นแพ้ไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่จิตใจจิตใจเนี่ยต่อให้ถึงแบบอะไรอ่ะพุทธเจา้าท่านถึงใช้คําว่าแมาเอามีดมาฟันเอาเลื่อยมาเลือนะเล่อยนะเลือเล่อยเลื่อยเืตัวเนี่ยขายเป็นสองท่อนก็ยังแหมไ ม, ไม่ไม่แพ้เลยใจยังไม่แพ้เลยหรือเรานึกถึงตอนช่วงที่ ผู้เจ้าบำเทนทุกกรรกติยาแล้วก็เลิกเลิกบําเพ็ญทุกรกรริยาหารมาอะไรนะฉันอาหารบอกอาอย่างนี้แพ้และเลิกละเลิกคิดจะทำํะบำบําเพ็ญต่อมันไม่ใช่ผู้เจ้าท่านก็ยังจะบําเพ็ญต่อถ้าไม่ได้เลิกบำเพญ็ญแต่ท่านเพียงแต่รู้ว่าวิธีที่ใช้ทรมานตัวเองนะ่ะมันไม่ใช่วิธีพ้นทุกข์ท่านเลยหันมาฉันอาหาร แต่ใจไม่ได้แพ้เลยแต่มันเปลี่ยนวิธีสู้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ถอยแล้วก็ไม่ได้หนีด้วยเพราะอะไรเพราะพอท่านฉันอาหารขึ้นมาใช่ไหมปรากฏว่าอาเดี๋ยวท่านก็บันเพ้นต่ออีกอะแม้อะไรนะเลือดในกายจะเหยื่อแท่งเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกกรตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยเราจะไม่ละความเพียร น, นี้คือเราจะทําให้สําเร็จได้ไม่ได้แพ้เลยนะใจไม่ได้แพ้เลย ตอนทรมานร่างกายนี่โอ้โหสู้พร้อมกายจะล้มเดินก็จะสวนเซมไม่มีเลี่ยงไม่มีแรงดูนะอย่างนั้นท่านก็ผ่านมาใจท่านก็ยังสู้อยู่ใจก็ไม่แพ้แม้ร่างกายร่างกายสุดโทมร่างกายจะตายเอาละเจนกระทั่งอ้าวหันหกลับมากินอาหารพวกปัญจวัคคีนี่ว่าแพ้แล้วว่าผู้เจ้าเลิกบำเพ็ญความดีแล้วแต่ไม่ใช่เลยบอกแล้วว่าใจไม่ได้แพ้เลย แต่ต้องหันมาฉันเพราะถ้าไม่ฉันแล้วตายแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ด้วยยังไม่บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นท่านเห็นเลยว่าวิธีสู้แบบนั้นมันไม่มันใช้ไม่ได้ถ้าหากเห็นแล้วว่าเป็นวิธีที่ผิดท่านก็เลยเลิกวิธีที่ผิดแล้วหันมาสู้โดยวิธีที่ฉันอาหารแล้วก็มาใช้วิปัสสนาในการต่อสู้แทนที่จะใช้จดัดเจโตดุยดุยดุยดุ ย, ด ย, ดยสู้ไปเพราะฉะนั้นใจไม่เคยแพ้เลย เพาเหมือนกันคนเนี่ยที่จะสมมติว่าสายโกรธก็ตามหรือสายราคะก็ตามคนที่จะแพ้เนี่ยนะถ้าใจไม่แพ้แล้วเนี่ยมันเดี๋ยวก็สู้อีกเดี๋ยวก็สู้อีกที่จะแบบว่ายังไงในที่สุดต้องเอาชนะกิเลสข อ, องเราให้ได้นะไม่ใช่พอสู้ได้หน่อยก็เอาแล้วท้อแล้วก็ถอยเลิกไม่เอาแล้วไม่สู้แล้ว คือถ้าอย่างนี้ใจมันแพ้อาตมาเคยถามพวกเราว่าสมมุติเนี่ยเราไปทําอะไรก็ตามเอาตั้งกะบะก็ตามแล้วบางครั้งเราก็พลาดพลัง้งนะก็สู้กับกิเลส น, นี่แหละสู้ไม่ไหวบ้างมันก็ล้มบ้างใช่ไหมมันจะต่างกันตรงนี้คนที่ล้มโดยที่เราพลาดไปแล้วทางกายกรรมทางวจีกรรมเนี่ยเราพลาดแล้ว แต่ใจเนี่ยนะทีเ่เราเรียกว่าเรายังไม่แพ้เนี่ยเพราะฉนคนนั้นเน่ะตะบะวันนี้อาจจะพลาดอาจจะล้มแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาสู้อีกหละต่อให้พรุ่งนี้ล้มไปอีกมันมาลืนถัดไปเขาก็สู้อีกและคือนเนี่ยเนี่ยคือคนที่ใจไม่ไม่ยอมแพ้แล้วคนที่ใจไม่ยอมแพ้เนี่ยคือคนที่ยังไม่แพ้คุณเข้าใจไหมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเออ คือคนที่ใจไม่แพ้เนี่ยนะมันมันจริงมันยังไม่เก่งพอใช่ไหมมันสู้ไม่ไหวมันก็ล้มจริงๆอ่ะมันก็โดนก็ชกล้มโดนกิเลสอ่ะชกล้มมก็ก็สู้กิเลสยังไม่ไหวมันก็ชคเราล้มจริงๆแต่หัวใจที่มันไม่ยอมแพ้เนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาโดนชกล้มก็ลุกขึ้นมาสู้อีกอ่ะโดนชกล้มอีกก็ลุกขึ้นมาสู้อีกอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยคือคือคือใจที่ไม่แพ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่พยายามจะพูดให้ให้พวกเราเข้าใจให้ได้ เพราะคนที่ใจไม่แพ้เท่านั้นนะ่ะถึงจะบรรลุทําได้หรือคนที่จะทําอะไรสําเร็จได้คือคนที่ใจไม่แพ้นะส่วนคนที่ใจเนี่ยอะไรอไรเนี่ยเดี๋ยวพอปฏิบัติไปได้หน่อยทําไปได้หน่อยยังไม่ทันจะแพ้เลยยังไม่ทันจะแพ้เลยรีบแล้วรีบแรีบเตรียมแพ้ก่อนนะเออเหมือน <c oughs> ที่ <c oughs> พระเจ้าท่านเปียบอะ ยังไม่ทันเห็นข้าสึกเลยเห็นแค่เสียงโห o ร้องของข้าศึกก็ไม่สู้ละหนีดีกว่ายังไม่ทันลงมือกับข้าศึกเลยนะซึ่งอันเนี้ยคือใจแพ้คือเพื่อนคนใจแพ้เพราะหลายคนบางทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนลกโลกโดยทั่วไปพอพูดเรื่องศีลพอพูดเรื่องอะไรเนี่ยใจเขาแพ้พวกนี้โอ้ไม่เอาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปวัดหรอกไม่ไปฟังธรรมหรอกเพราะว่าพวกนี้ใจเขาแพ้ รู้บ้างไหมสีเป็นยังไงความดีเป็นยังไงรู้ทําไมยังไม่รู้อ่ะ <c oughs> รู้แต่ว่าเขาเขาไม่เอาอ่ะแล้วก็ไม่คิดจะทำด้วยทำไมไม่คิดจะทำเพราะกลัวไม่กล้าทากลัวอะไรกลัวลำบากกลัวความสุขความสบายที่เคยมีเดี๋ยวมันจะสูญสิ้นมันจะร่อยหรอเพราะฉะนั้นไม่ได้หรอก เดี๋ยวไม่สุขสบายแบบโลกโลกคือเขายังไม่เข้าใจความสุขที่ที่เราชนะกิเลสอะใจเราชนะกิเลสมาได้แล้วแม่มันสุขสบายยังไงคือเขาไม่เขาไม่สัมผัสอารมณ์อาการพวกนี้แล้วก็คิดยังไงเขาคิดไม่ถึงเขาเลยกลัวความสุขสบายแบบโลกโลกที่จะได้มาโดยโดยได้จากวัตถุเป็นส่วนใหญ่จากอาหารการกินจากบ้านช่องเรือนชาญจากอะไรที่ได้ได้เสพสบาย เพรพวกนี้ก็เลยกลัวสูญเสียสิ่งเหล่านี้เพรใจพวกนี้แพ้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นและวเพราะพอจะมาให้ฝึกเรียกว่าสู้ ก, กิเลสฝืนความสบายแบบโลกโลกนะเพื่อที่จะชนะกิเลสตัวเองกลัวไม่กล้าเพพวกนี้หัวใจถึงแพ้ตลอดพวกนี้นี่ถ้าไม่แหม่ไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีวาสนาบารมี หรือไม่มีความโชคดีพอที่จะเจอผู้ที่อะไรอ่ะเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ที่จะถึงถึงเนี่ยที่จะแบบว่ากระตุน้นจิตวิญญาณเนี่ยให้ให้ให้เข้าใจขึ้นมาได้เนี่ยไม่ทำหรอก